รื่องนี้โลกกับธรรมกำกำลังโลกและโลกล้างกันไม่ว่าอะไรในโลกนี้มันต้องมีค่าฝึกจะอยู่โดดเดี่ยวไม่ได้โลกกับธรรมเมื่อมาเกี่ยวข้องกันก็ต้องเป็นคู่กัน จะเรียกว่าคัูอสัตรูมันก็ไม่ผิดชายเป็นครูมิตรเป็นสหายคู่ผู้เป็นพึ่นตายเป็นคัวอริมันก็ไม่ผิดโลกกับธรรมเป็นอย่างนั้นแม้อยู่ภายในหัวใจของเราก็ยังมีโลกกับธรรมซึ่งคอยรบกันอยู่เสมอส่วนมากเรายอมแผ่สองหลุมให้เขา ไม่ยอมต่อสู้จึงไม่ทราบว่าจะเอาคำว่าแพ้วาชนะมาพูดได้อย่างไรถ้ามีการต่อสู้กันบ้างแพ้ก็ยอมรับว่าแพ้เพราะต่อสู้แล้วสู้ขอไม่ได้ต้องยอมแพ้ที่ไม่สู้เลยหมอบกระแตไปเลยนี่ก็ไม่ทราบว่าจะพูดว่าแพ้ได้อย่าง นอกจากจะพูดได้ว่าหมอบราบเทา่านัภายนอกก็กำลังวุ่นวายโจมตีกันดุ่มไปหมดเพราะหัวใจของโลกเวลานี้กำลังโรคปรุงลําด้วยสิ่งที่เป็นภัยต่อต่อโลกเสียเองแต่โลกก็เข้าใจว่าเป็นความเจริญสำหรับโลกและสำหรับตัวเองเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่า น, นี้จึงมีอำนาจ มาลบล้ามสิ่งที่ดีโดยเห็นว่าไม่ดีเห็นว่าเป็นสิ่งที่กดทวงความเจริญของโลกโยกตัวอย่างเช่นพระที่บวชอยู่ในวัดในวานในาศาสนาเป็นการพรกำลังหน้าที่การงานเศรษฐกิจของประเทศชาติบ้านเมืองให้เจริญ พระเป็นผู้ตัดทอนแรงงานอาศัยข้อกินโดยไม่ทำอะไรถ้าเองก็ไม่ไมทําอะไรนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยคบกินอยู่ด้วยจึงเป็นการตัดทอนแรงงานของเขาไปหลายด้านนี่เรียกว่าเป็นอุบายแห่งการลบล้างชนิดหนึ่งถ้าหากว่าเราฟังผย์เผย เขาว่านี่มันก็ใกล้ต่อความจริงแต่ถ้าฟังตามหลักของธรรมของพระพุเทธเจ้าอย่างแท้จริงแล้วนั้นก็คือการลบล้างสิ่งที่ดีที่มักปราดทั้งหลายท่านเทดภูมาโดยลำดับและท่านได้เป็นผู้วิเศษวิโสมาจากสิ่งเหล่านี้ ในอุบายวิธีที่พูดมาทั้งหมดนั้นเป็นการลบล้างทำลายสิ่งเหล่านี้โดยตรงไม่มีแง่อื่นใดที่จะควรสนเสริญในอุบายอย่างี้ศา ส, สนาจเจริญขึ้นในสถานที่ใดในบุคคลผู้ใดบุคคลผู้นั้นย่อมมีความผาสุกร่มเย็นศา ส, สนาแผ่กระจายไปในสถานที่ใด กว้างแคบมากน้อยสถานที่นั้นๆได้รับความสงบร่มเย็นเช่นเดียวกับยาที่แพ่กระจายเข้าไปในคนไข้เหมาะกับโรคชนิดนั้นๆย่องสามารถที่จะทำคนไข้ให้สงบแม้จะดิ้นรนกระวนกระวายอยู่แทบเป็นแทบตายก็ตาม ยาซึ่งเป็นเครื่องงับดับพิษภัยทั้งหลายย่อมทำโรคให้สงบและให้คนไข้นั่นได้มีความผาสุกสบายได้ธรรมโอสถของพระพุทธเจ้าแร่กระจายไปในหมู่ชนมากน้อยเพียงไรแม้โรค แห่งความโลภความโกรธความหลงทั้งหลายซึ่งไม่ได้เคยเยียวยาจากธรรมโอษฐที่มาก่อนเลยแต่เมื่อได้รับโอวาทคําสอนที่เป็นธรรมโอษฐนี้เข้าไปสู่จิตใจมากน้อยย่อมจะเห็นโทษเป็นโทษ เ, เห็นคุณเป็นคุณไปตามกําลังแห่งความรู้ความเข้าใจทั้งตนโดยลำดับผลที่เกิดขึ้นจากความเข้าใจในอัตธรรม ซึ่งเป็นความจเป็นของจริงนี้ย่อมทําโลกให้มีความร่มเย็นเป็นสุดเพราะฉะนั้นศาสนาธรรมจึงเป็นอุบายวิธีที่จะผิดจิตผิดใจผู้ปฏิบัติตามหลักศาสนาจึงเป็นผู้ผิดตนเองให้มีกําลังอันดีงามอันผาสุขร่มเย็นขึ้นภายในจิตใจเพื่อจะยังประโยชน์ คือหน้าที่การงานนั้นๆให้สาเร็จร่วมหรือให้มีกำลังมากขึ้นโดยปราศ จ, จากพิษภัยใดๆเข้ามาเกี่ยวกอดศาสนาหรือวัดวาอาวาสพระเนนที่ตั้งใจประพฤตปฏิบัติ ด, ดีตามหลักศาสนาธรรมจึงเป็นผู้ที่หนึ่งผิดจิตใจกายวาจาของตนให้เป็นไป ในทางดีงามและวผลิตกำลังจิตใจทั้งตนให้มีความเข้มข้นเข้มแ ข, ข, ข็งต่อความถูกต้องดีงามทั้งหลายแล้วสั่งสอนคนอื่นให้รับความเข้าใจนั้นๆเข้าสู่จิตใจกลายเป็นใจที่มีพลังขึ้นมาที่จะต่อสู้ในสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยทั้งหลายให้ค่อยหมดไปโดยลําดับ เพราะในจิตใจของมนุษย์เรานี้ปกติแล้วโรคกลุมรังไปด้วยสิ่งที่ในพึ้งปาดธนาด้วยกันทั้งนั้นอะไรเล่าที่ว่าโรคกลุมรังความโลภอา้าวลองตีแผ่กระจายไปทีโลภอะไรมั่งในเพียงบุกในบุคคลคนหนึ่งเท่านั้นความโลภนี้แผ่กระจายไปถึงไหนแล้วมีสองคนมีสามคน จนกระทั่งทั่วโลกทั่วท้งสารเต็มไปด้วยความโลภแล้วเราหาที่เหยียบย่างก็ได้อย่างไรเต็มไปด้วยสิ่งที่โลภกลุ้มลังเหล่านี้ทั้งนั้นความโกรธความหลงแต่และอย่างอย่างเป็นสิ่งที่โลภกลุ้มลังอยู่ภายในใจิตใจของโลกโลกนําสิ่งนี้มาประหัตประหารมาทําลายซึ่งกันและกันมาเบียดเบียนมากดขี่บังคับ มาก่อความเดือดร้อนให้กันเต็มแผ่นดินด้วยสิ่งที่ลบกลุงมรังเหล่านี้าศาสนาธรรมเป็นเครื่องแก่สิ่งลกลุงมรังทั้งหลายเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจของศาสโลกผู้ที่มีความคข่ต่อความสิ่งทั้งหลายเพื่อจะได้ปฏิบัติตนให้ถูกต้องและรื้อถอนสิ่งที่ลบกลุงมรังทั้งหลายเหล่านี้ออกจากจิตใจของตนตรโดดหนักจมดับ เพื่อจะได้รับความพาสุกล่มเย็นทั้งผู้นั้นและผู้อื่ น, นทั้งหลายแล้วเมื่อเทียบดังที่คําที่พูดว่าเป็นการตัดรอนหรือเป็นการทวงหน้าที่การงา น, นด้วยผลรายได้แห่งเศรษฐกิจของประเทศ ช, ชาติเดียวชาบ้นบานเมืองนั้นมันเข้ากันได้ที่ไหนศาสนาเป็นสิ่งที่ผิดใจิตใจคนให้มีความเข้มแข็งต่อหน้าที่การงาน ซึ่งจะเป็นผลเป็นประโยชน์ล้วนนไม่ให้มีพิษเจือกุกลถ้าให้เป็นประดา่าทางพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไปแล้วโลกนี้จะไม่มีพิษภัยอันใดติดกายว่า จ, จาใจนั้นๆเลยจะมีแต่ความผาสุกร่มเย็นโดยทั่วกันเพราะอำนาจาทางขาสนาธรรมแล้วจะประกอบหน้าที่การงานก็ไรอันอันใดก็ตา่างเมื่อจิตเป็นธรรมแล้ว จะเลือกทําแต่สิ่งที่เป็นผลเป็นประโยชน์และทําด้วยความบูสาพยายามด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจงใจต่อกิจการงานนั้นๆจริงๆไม่ทําศัก์แต่ว่าทําและไม่ทําแบบทะเลทลัยไม่ทํำว่าหวังว่าเป็นประโยชน์แต่กลายเป็นโทษขึ้นมาสู่ทั้งตนและผู้อื่นจนกระจายลิลระบาดไปทั่วโลกดินแดบนบ ซึ่งเป็นไปจากสิ่งที่ลบพลังภายในจิตใจอันไม่ได้รับการสําระหรืออบรมได้อะไรเลยพระพุทธเ จ, จ้าที่ได้ตรัสรู้รมขึ้นมาก็คือผิดท่าไทยของพระองค์ให้ได้ถึงขา้นบริสุทธ์เต็มสว่วนเป็นคุณสมบัติอย่างเต็มที่ควรจะการสั่งสอนโลกได้โดยได้เต็มภูมิของพระพุทธเ จ, จ้าบรรดาสาวกทั้งหลายที่ได้ตรัสรู้รม เพราะการปฏิบัติถูกต้องดีงามตามหลักที่พระ อ, องค์ท่านทรงสั่งสอนไปแล้วก็เป็นกําลังบังชาอันสำคัญนอกจากตนจะได้รับความผาสุกเย็นใจเต็มภูมิแห่งความมือสุดแล้วยังสามารถนำธรรมที่มีอยู่ภายในจิตใจนั้นแพ่กระจายไปให้โลกทั้งหลายได้เคารพนับถือได้ถือกุทธทางธรรมมังสนางกระฉามิด้วยมาจนทั่งถึงทุวันนี้เมื่อคิดดูแล้วาศาสนธรรมก็ความ พิษหายเดือดร้อนให้คนละสัตว์ประเภทใดบ้างมีขแขนงใดบ้างบรรด า, าศาสนธรรมที่เป็นพิษภัยแก่โลกเรามองไม่เห็นดังที่เขากล่าวหาลือลบล้างต่างๆมองไม่เห็นนอกจากจิตใจเต็มไปด้วยฟืนด้วยไฟเต็มไปด้วยความโลภสุงทัง มันเป็นสิ่ง น, นี้ไม่พึงปรารถนาทั้งหลายไม่มีทางระบายออกก็นําสิ่งที่รกรุงรังสิ่งที่สกปลกจนมองดูไม่ได้นั้นออกมาประกาศให้พวกที่มีความสกรปรกด้วยกันแล้วให้เป็นไปตามกับ น, นั้นและให้ผู้ที่มีความสะอาดถือพอสมควรแต่ยังไม่หลักได้เกณฑ์พอให้มีความเข้ามองไปด้วยเท่านั้นไม่มีอย่างอื่น อันใดที่จะเลือดที่จะประเสริยิ่งกว่าสาสนาธรรมโอวาดใดคาสอนใดที่จะถูกต้องแม่นยายิ่งกว่าโอวาทคำสอนของพระโพธิจารย์เรายังมองไม่เห็นพระโอวาทนี้ออกมาจากพระไทยที่เบิสุทธุษไม่มีการลําเอียงแม้จะอคติใดก็าตามไม่ปรากฏประทานพระโอวาทไม่แก่บรรดาสัตว์ทั้งหลายด้วยพระเมตตาล้วนดุ ไม่มีส่วนใดศูนส่วนหนึ่งส่วนใดที่จะเคลือบแฝงให้เป็นความเสียหายอยู่ในาศาสนาธรรมนั้นๆเลยเดิมเป็นธรรมที่ตายตัวเป็นธรรมที่เชื่อถือได้ที่โลกไม่เชื่อถือก็เพราะไม่มีความสามารถไม่มีสมรรถภาพไม่มีภาชนะ อันเหมาะสมซึ่งจะควรรับพระอาวาทนั้นไว้ได้เลยเพระมีแต่ภาชนะที่ศกกระตกโสหมที่สุดนอกจากเอามูดเอาคูดประโยน์ลงถทานั้นของสะอาดจะลงในภาชนะนั้นไม่ได้เช่นเดียวกับห้องส่วมเอาดีๆถ้าเป็นของสกกระกที่ไม่พึงประทนาแล้วก็โยนลงในส่วมได้จิตใจที่สกกระกโสมมถึงขนาดนั้นแล้วอย่างอื่นอย่างดี เป็นอัจเป็นธรรมนี้เข้าแทรกไม่ได้นอกจากเป็นเรื่องของสกปกอย่างเดียวกันเท่านั้นเข้าสู่กันได้และระบายออกมาได้โดยไม่มีความกระดาษอ่ายเลยถ้ามันหมดยางอายอยู่ภายในจิตจิตที่มีอัจมีธรรมย่อมมีฮิริโอตะปะมียางอายมีเหตุมีผลอันดีงามไม่ใช่เหตุผลที่จะทำลายหรือทำร้ายอย่างอื่น โดยหาเล่ห์าเหตุหาผลมาอ้างอิงพิงอาศัยไปอย่างนั้นนี่พูดในภาคทั่วๆ่วไปเป็นอย่างนี้ทีนี้ย่นเข้ามาถึงตัวของเราแต่ละผละผลในจิตใจดวงหนึ่งหนึ่งขณะใดที่มีความมกุลงลังดังที่กล่าวมานี้เข้ายียบเหยียบย่ทำทํานายจิตใจขณะนั้นจะหาความสุขความยินใจไม่ได้เลย มีแต่ความรุ่งร้อนยืนเดินนั่งนอนเต็มไปด้วยปืนด้วยไฟขนาดใดที่มีการต่อสู้มีการแก้ไขกันสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยจางลงไปจางลงไปหรือสงบจั่ลงไปเพราะอำนาจแห่งน้ำคือธรรมล้วก็พอได้ตรงใจลงได้พอมีความผาสุกเย็นใจเพราะฉะนั้นท่านจึงสอนให้มีการอบรมจิตใจ มีความพุ่งเพ้อเหอเหอเ ห, อเหอเิมเต็มอยู่ภายในตนให้มีความสงบลงด้วยอดด้วยธรรมคือการชำระาศาสารงด้วยวิธีการใดก็ตามมีจิตตะพอานาเป็นตน้นเให้เป็นความลุ่มเย็นแก่จิตใจเราสมกับใจที่มีคุณค่าแต่เพราะอาศัยสิ่งที่มันมีคุณค่าและสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยเข้ากุ้มดุมหัวใจใจจึงเป็นไฟทั้งกองทั้งทั้งที่ใจนั้นเมื่อชำระได้แล้วไม่มีอันใดที่จะเย็นเท่าดวงใจดุงนั้น เมื่อได้อาศัยสิ่งที่สกกระปกลดปุงรังทั้งหลายเข้าไปเกี่ยวก่อจิตใจก็เลยกลายเป็นสองของสกกระปกไปตามๆกันมองหาใจที่จะเป็นสาระคุณแม้แต่นิดหนึ่งก็ไม่เห็นนี่เพราะสิ่งไม่เป็นสาระคุณมันหุ้มห่อเสียจนมิดนี่การที่เราทั้งหลายมาอบรมศึกษาหรือมาประพฤติปฏิบัตินี้ก็เพื่อจะแก้สิ่งที่ลบครงุงรังภานในจิตใจทั้งหลายนี้ให้ออกไปได้โดยลำดัแบบ การยากการลำบากในการประกอบความภาคเพียรจะด้วยวิธีการใดก็ตามเช่นการให้ถามรักษาสี่งภาวนาเขาเป็นหน้าที่ของเราที่จะแก้กี่เด็แต่และประเภทประเภทด้วยคุณธรรมเหล่านี้เราจึงต้องจำเป็นจำใจทำแม้จะยากลำบากแม้จะมีความขี้เกียจทอแท้อ่อนแอประตม ก็ควรจะทราบว่าความขี้เกียจหรือความท้อแท้แอนั้นก็คือเรื่องของกิเลสแต่และปร ะ, ประเภทประเภทที่จะคอยเหยียบย่ำทำลายจิตหรือกิดกกขวางทางเดินของเราให้เดินด้วยความสะดวกหากมีสติปัญญาค่อยแทรกกันอยู่เรื่อยๆอย่างนี้มันก็พอฟัดพอเหวี่ยงกันไปพอมีเวลาแพ้เวลาชนะกันบ้างไม่หมอรหบราบไดเลยการที่จะชาระ สิ่งที่สกระปรงคือภายในจิตใจของตงนนี้ต้องอาศัยสติปัญญาเป็นขําขัญและอาศัยความอุตสาห์พยายามเป็นเครื่องหนุนพวกยากลําบากมันก็เป็นงานของเราทำเพื่อผลประโยชน์สําหรับเราไม่ว่างานใดๆขึ้นชื่อว่างานแล้วก็ต้องมีการฝูนเป็นธรรมดาแต่ทําลงไปแล้วด้วยความฝืนนั้นก็จะรับประโยชน์ เพราะเป็นงานที่ถูกเพราะเป็นงานที่จะให้ผลให้ประโยชน์แก่ผู้ทำการทำจึงไม่เสียผลทางประกอบความภาพเพียรทางด้านจิตใจก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยความบึกบืนความอุตสาหพยายามความขี้เกียจเป็นเรื่องของกิเลสนะความหาเลสหาเรื่องต่างๆเป็นเรื่องกลมยาาของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเคยอยู่บนหัวใจของสัตว์โลกมานานเฉพาะ อ, อย่างยิ่งบนหัวใจเราไม่เคยลง เราจะหลับจะนอนมันมันก็อยู่บนหัวใจมันก็นอนอยู่บนหัวใจเรามันไม่ได้ไปหาเตียงหาที่หลับที่นอนหมอนมุ้งที่ไหนคอให้เราได้สว่างส้งสางซาบ้างภายในจิตใจแต่มันอยู่บนหัวใจเตียงของมันก็คือหัวใจหมอนมุ้งของมันก็คือหัวใจอยากนอนก็นอนอยู่บนหัวใจขี่รถเยี่ยมรถอยู่บนหัวใจพาะเคยเป็นศาสตราจารย์อันสาคัญ มาประจำวัตจักรนี้เป็นเวลานานตั้งกับตั้งกันมีหลานทราบหนึ่งว่าตายแล้วศูนอีกน่ะเห็นไหมมันกล่อมได้ขนาดไหนนักกลแก่เก็บตายมาโดยลาดับลำดาไม่มีเวลาหยุดยัง่งยิ่งกว่ากังหันก็คือเราแล้วทำไมถึงไดไปลืมตัวหลงตัวล้วมตัวขนาดนั้นว่าตายแล้วสูนเนี่ยพี่นาพีเนี่ก็คือกล่อมให้หลับสนิทที่สุด ขนาดว่าจะไม่มีใครตุกได้เลยคุณเองอะธรรมะคำสอนคำพูดเจ้าก็มีประจำโลกมานานแต่ทำไมไม่สามารถที่จะไปตุกความหลับประเภทนี้ให้ตื่นขึ้นมาได้ก็เพราะกิเลสยังแหลมคมกว่าธรรมที่เราจะนำมาตุกนั้นถ้ า, าว่าเราพยายามค้นคว้าพยายามไพฤปฏิบัติวันหนึ่งแน่นอนที่เราจะได้ธรรมที่ทันสมัยอันจะมาแก้วคําหลับสนิทประเภทตายแล้วศูนย์นี่ให ตื่นฟื้นตัวขึ้นมาให้พอทราบแง่เงอนยุ่งเล่หเหลี่ยมต่างๆของที่เลียกประเภทนี้ได้โดยลําดับจนกระทั่งถึงรู้ได้อย่างชัดเจนว่าเรานี้คือตัววัตจักร mm hmm. การที่เราเป็นวัตจักรนี้เป็นเพราะเหตุไรสามารถที่จะทราบได้โดยสาเหตุตามสาเหตุของมันมีอะไรจรึงพาให้มาเกิดเกิดเป็นคนดีคนชั่วเกิดเป็นคนโงค่คนฉลาดหรือเกิดเป็นสัตว์ เกิดนาะลกเกิดเป็นเป็ตเป็นผีอะไรก็แล้วแต่มันมีเหตุมีปัจจัยซึ่งอยู่ภายในจิตใจที่ตนผิดขึ้นนี้ทั้งนั้นไม่ใช่ผู้อื่นใดเป็นผู้ขิดเรื่องมาทําลายหรือมาลังควานตัวเองและทําตัวให้หมุนเวียวนในตลอดเวลานี้นอกจากตัวของเราเองเป็นผู้สังสมขึ้นมามันมีอยู่ที่หัวใจนี้ทั้งนั้นพระพุทธเจ้าก็เคยมีสิ่งเหล่านี้มาแล้วภายในพระไทยเหมือนกันนักท่องเที่ยวก็คือพระพุทธเจ้าพระองค์ ภาษาวกแต่และองค์องค์เป็นนักท่องเที่ยวด้วยกันเพราะอำนาแนจแห่งกิเลสประเภทเหล่านี้ครอบงำและเป็นเครื่องถักใสให้เดียนว่ า, ตายตายเกิดในวัฏสงสารมาเป็นเวลางานเช่นเดียวกับสัตว์โลกทั้งหลายแต่พระองค์สามารถแก้ไขพระองค์ได้จนรู้เหตุรู้ผลของมันว่าการเกิดการตายวกเดียนไปมาไม่แล้วไม่เล่าสักทีเป็นเพราะสาเหตุอันใดสามารถทราบทั้งสาเหตุด้วยแก้ทั้งสาเหตุนั้นได้ด้วยจึงหมดความหมุนเวียนเปลี่ยนแปลง ท่านกล่าวไว้ในอเ น, นกชาติสังสารังนะังอ่าอเ น, นกชาติสั้นส่ารังสั้นถาปิสั้งอเนปิสั้งนาการังเกะเ้สั้ น, น, น, นโตุข่าชาติปุณพูนังนนการต้องเที่ยวในวัตฏสงสารคือการเกิดตายของเหล่านี้นับชาติไม่ได้อเ น, นกชาติคือไม่ใช่ชาติหนึ่งชาติเดียวมากต่อมาก บัดนี้เราได้หักแล้วซึ่งกงกรรมคืออวิชชาสิ้นไปแล้วจากใจไม่มีเหตุปัจจัยที่จะยังให้เราให้เกิดตายเกิดตายอย่างนั้นอีกต่อไปแล้วเพราะการเกิดแต่และภพละาชาตินี้ก็เท่ากับหาบกองทุกข์ไปโดยลำดับลาดับจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายคือการตาย ไม่มีพบใดที่จะไม่มีทุกติดตามแม้จะเกิดเป็นอินเป็นพรมก็มีทุกอยู่ตามส่วนไม่มากเหมือนสัตว์นโลกก็ตามแต่ก็มีทุกอยู่ตามขั้นตามภูมิของตนหากไม่ได้พ้นจากความตายเสียเนี่ยเมื่อไหร่ดังที่ท่านสอนได้ว่าดุขั้งนัตถิอชาตาาัสสะทุกย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่เกิด น, นั่งเมื่อไม่เกิดเป็นรูปเป็นกายเป็นรูปเป็นนามอย่างนี้แล้ว ความทุกข์มันจะมาเกาะที่ไหนเพราะไม่ไม่มีสมมุติให้มันเกาะความเกิดก็คือเรือนรังแห่งสมมติสมมุติต่อสมมติก็เข้ากันได้เช่นทุกข์ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งสามารถที่จะมาเกาะได้เมื่อธรรมชาตินี้ได้สิ้นศูญลงไปหมดด้วยอํานาจแห่งสติปัญญาศรัทธาความเที่ยง ทุกทั้งหลายก็หาที่เกอกแม่ได้เรียกว่าลุข้างนัตติอาจาระสัจทุกย่อไม่มีแก่ผู้ไม่เกิะหมดนี่พระพุทธเจ้าเป็นนักผู้หนึ่งที่ท่องเทียวนวตาสงสารสาวกแต่และองค์เหมือนกันหมดท่านทําไมท่านแก้ได้ถ้าทําไมท่านถึงรู้สาเหตุที่มันเป็นอยู่ในท่านจนถึงกับแก้ได้โดยตลอดทั่วถึง พวกเราก็เป็นผู้แบกสิ่งเหล่านั้นมาอย่างเต็มหัวใจเช่นเดียวกันทำไมจึงไปส่งเสริมมันว่าตายแล้วสูญซึ่งเป็นการส่งเสริมกิเลสประเภททายาท ว, ว่าตายเกิดอยู่ตลอดเวลาให้มันมีทางจบชิ้นลงได้และไม่ใช่เป็นของดีโลกอันนี้เต็มไปด้วยการเกิดการตายทั้งนั้นแล้วไปปฏิเสธว่าตายไม่เกิดนั้นปฏิเสธเพื่อผลประโยชน์อันใด ได้ผลได้ประโยชน์อันใดในการปฏิเสธอย่างนี้หรือในความสําคัญอย่างนั้นพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทรงรับรองว่าตายสัตว์ตายแล้วเกิดตายเยนว่าตายเกิดในวัาตฏสงสารด้วยกันทั้งนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะเป็นพระพุทธเจ้าที่แหวกแนวว่าตายแล้วศูนย์ไม่ต้องทําอะไรอีกแล้วเป็นคนหมดธา เพราะทําลงไปก็ไม่ได้รับผลตายแล้วสูนด้วยกันทางนั้นผลประโยชน์ที่จะพึงได้รับในการต่อไปนั้นไม่มีดังนี้ไม่ปรากฏในพระพุทธเจ้าพระองค์ใดได้มาสอนโลกนี้เลยนอกจากสอนโดยโดยทางเดียวกันทางนั้นสรุปความลงในพระโอาวาทที่สอนก็คือว่สัพ ป, ป, ปาปัสสะอาการะนังการไม่ทําบาปตัวประการทั้งปวงนั้นหนึ่งกุศลสู้ประสั่มประดังการยังกิดของตนให้ แพวจนถึงขั้นบริสุทธิ์นั้นหนึ่งการยังกุศลคือความฉลาดให้ถึงพร้อมนั่นหนึ่งฉจกิตตะบริโยดัปนังการทําจิตของตนให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์เต็มที่นั้นหนึ่งเอตังบุทธานสาาัสาสนังนี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนักสั่งอะไรที่ทำไปให้พาให้เกิดให้ตายพืออะไรก็คือความโง่นั่นเอง เพรา ะ, ะนั้นจึงต้องนำความฉลาดเข้าไปแก้กันกุศลสูประสัมภ์ผาว่างหมายถึงความฉลาดได้แก่สติปัญญาเป็นเครื่องแก้ความโง่ซึ่งมีอยู่ภายในตัวใจดวงตัวดวงเดียวกันนั้นจนสามารถทำจิตให้มีความป่องสายได้ด้วยอํานาจแห่งความฉลาดโดยทางความเพียรนอกจากป่องสายแล้วยังสามารถทาจิตใจให้บริสุทธิ์ได้ด้วยถ้าจิตใจถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วผู้นั้นแลเป็นผู้ไม่เกิด โดยไม่ต้องสงสัยไม่เกิดเพราะเหตุนั้นเหตุนั้นไม่เกิดเพราะหมดปัจจัยหมดเหตุหมดผล ท, ที่จะสืบเนื่องต่อกันไปอีกที่มันเกิดเพราะมันมีเหตุมีปัจจัยให้พาให้เกิดจะลบล้างไม่ได้ไม่มีใครที่มีอานาจใหญ่ยิ่งกว่ากิเลสภายในวัตตะและไม่มีอันใดที่จะมีอานาจมากยิ่งกว่าธรรมไม่มีกิเลสตัวใดที่จะมี อำนาจมากยิ่งกว่าธรรมแหลมคมยิ่งกว่าธรรมมีธรรมเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะแก้กที่เลสให้หลุดลอยออกไปจากใจให้ถึงความไม่ไม่ตายไม่เกิดต่อไปอีกนี่แนะโอวากของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านสอนอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์วมีมากเท่าไหร่แล้วจัดสรุปถ่ายทอดกันมาเรื่อยๆตั้งแต่กับไหนกันไหนเราฟัง พระองค์ใดก็ไม่เคยแย้งกันในพระโอาวาสจัดความจริงตามที่รู้ความจริงด้วยกันเท่านั้นนี่คือความจริงอันตายตัวของนักปราชามีพระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นหลักเป็นประธานเป็นประกันความรู้ของเราเป็นความรู้ที่จำปลอมอท่านจึงเรียกว่าอาวิชชาตามีก็จริงหูมีก็จริงจมูกทิ้นกายมีเหมือนท่านก็จริง แต่สติปัญญาไม่มีมีก็มีแบบที่กิเลสหยิบยื่นให้นั่นเองปัญญาจะให้มีอย่างนี้เพื่อไปใช้ให้เป็นเครื่องมือของฉันนะของเราปัญญาที่สติปัญญาที่จะเป็นเครื่องมือมาสังหารเรานั้นเราไม่ยอมให้เพรอท่านพวกเราจึงได้ตั้งแต่สติปัญญาของกิเลสประเภทที่ส่งเสริมและเป็นเครื่องมือของเขา ไม่ได้สติปัญญาที่เป็นเครื่องประหหารกิเลสกิเลสจึงไม่ยอมดุดลอยออกจากใจแล้วมันจะบ่งการว่ายังไงก็บ่นได้เพราะเราอยู่ตามนาจของเขาว่าตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนหรือตายนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีเบากไม่มีบุญไม่ ม, ม, มีอะไรก็แล้วธรรมดาของกิเลสต้องปีนเตียวกับทำเสมอต้องขัดแย้งทำเสมอไม่มีกิเลสตัวใดที่จะ ด, ดําเนินหรือเห็นคล้อยตามทม นอกจากเป็นค่าศึกต่อธรรมจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจะละเอียดขนาดไหนก็ต้องขัดแย้งต่อธรรมจนกระทั่งถึงมันคิบหายตายไปมันถึงจะไม่มีอะไรขัดแยง้งจะว่าไม่กิเลสไม่กล้าหานอย่างไรเล่ามีกิเลสตัวใดที่จะยอมทำ ถ, ถ้ายังไม่ตายไม่ยอมจนกระทั่งมันตายมันถึงยอมไอเรายังไม่ถึงไหนภาวนาสักหนาทีสองนาทียอมแล้วยอมแล้วแน่กิเลสมันไม่เห็นยอม ยอมทำเอาจนกรทั้งไม่มีซากเหลืออยู่เลยตายกับสนามรบมันถึงมันถึงยอมยอมด้วยตายไม่ใช่ยอมด้วยหมอบลากไปเฉยแล้วทั้งๆกิเลสยังมีอยู่แต่ยอมกิเลสตายไปหมดมันเียงไม่ทราบว่ากิเลสมันยอมหรือไม่ยอมมันตายเฉยมันถึงมันถึงไม่ได้สู้กับมานมันถึงไม่รบเราไอเรายังไม่ถึงไหนคอยแต่จะล้มอืเความกิเลสกระดิกนิดเท่านั้นล่ะอืม หกคเมนต์เต็เทพไปแล้วนี่เขาจะทําไงที่เด่นมันไม่หัวเราะวันยัง่ําคืนยังรุ่งหรือเราไม่ได้อัดเทพไว้บ้างเหรืออัดภายในจิตใจของเรานั่นน่ะเสียงกี่เด่มันหัวเราะเราวันหนึ่งมันหนึ่งมากอย่างไรเรื่องหัวเราะสักกี่ครั้งกี่หนหัวเราะตลอดไปจะภาวนาภาวนามันก็หัวเราะเดินภาวนามันก็หัวเราะทําอะไรมันก็หัวเราะหัวเราะเพราะอะไร พูดโทรพูดโธได้วินาทีหนึ่งพอสองวินาทีมันหัวเราะแล้วเนีมันหัวเราะไปเรื่อยๆนี่เป็นอย่างนั้นละเรื่องของกิเลสเอาแก้มันลงไปเราจะเอาใครเป็นศาสดราเป็นสรนังขะฉามิะหรือเอากิเลสสรนังขะฉามิเหลือเท่ากิเลสสรนังขะฉามิก็ไม่มีเวลาที่จะทําความเพียรได้เนหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าวันนี้แย่แล้ววันไหนก็แย่วันไหนก็แย่แยมีแต่แย่ทนั้นนะ่ะเนะสักเดียวก็ตายทิ้งเปล่า นั่นเวลาตายแล้วมันแย่ไหมล่ะหา ก, กองกิเลสไปหากรองกิเลสมามันแย่ไหมล่ะเวลาทําความเพียรทําไมแย่แล้วจะถอดถอนกิเลสดึืถักกิเลสใสกิเลสฆ่ากิเลสออกจา ก, ก จ, จิตใจทําไมแย่ไอ้มันเห็นดูสิถ้าเป็นลูกศิษยตถาคตสมกับว่าพุทธังสังขฉามีแม้ไม่ได้อย่างพระพุทธเจ้าก็ได้แบบจิตมีครูก็อย่างดี ให้เห็นความเจริญของศาสนาศาสนาเจริญที่ไหนเจริญจริงๆเจริญอยู่ที่หัวใจหัวใจมันมืดดำแต่ด้วยกิเลสอาสวะมันปกปิดเพราะกิเลสไม่ใช่ของสว่างเป็นของมืดทั้งนั้นหูหนวกตาบอดตมหมดถ้ากิเลสมันครอบที่ตรงไหนเมื่อสติปัญญาศรัทธาความเพียรมีโดยลําดับลําดับจึงมีกําลังกล้าแล้วกิเลส จ, จะทลายตัวเองไปเกิดความสว่างสวัยขึ้นภายในตัวเอง นั่นแสงสมายแที่นี่ที่เล์ตายหมดแล้วไม่ทราบมันยอมนูนมันยอมมันตายมันหมดไม่มีเหลือนั่นเป็นเอกสิทธิ์ไม่มีใครม า, มาแย่งชิงเอาไปได้แหละอยู่ที่ไหนก็เป็นอิสระสุขโขวิเวโกสงัดอยู่ภายในจิตใจไม่มีสิ่งก่อควรไม่มีสิ่งปลุ ก, ป, ลกปั่นอมไม่มีอะไรจะมาปลุกระดม เราเราว่าแต่เขาปลูกระดมภายนอกไอ้พิเรนมันปลูกระดมเราวันย่งคำคืนย่างลุงทำให้แตกจากความภาคความเพียรอยตลอดเวลาเราเยังไม่เห็นโทษของมัน ว, ว่าไงเอาละเทศเกียงรัวนี้เอว่าง <laughs>